ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพระอิสิาสีเทรีตอนที่หนึ่งโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่7ธันวาคม2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะับบัดนี้ค่ะ วันนี้เอาเรื่องของพระอิสิษาสีเทลีนะเขียนประวัติลงกว่าจะถึงอรหันในสารสโสกลองเอามาเล่าให้พวกเราฟังดูหลายคนปบ คงพอจะจำได้อยู่แต่วันนี้จะได้ฟังรายละเอียดชัดเจนดีก็เป็นเรื่องของพระอาหารหันต์นะที่เป็นผู้หญิง น, นะเป็นภิกษุณีลองฟังดูแล้วกันเราเคยฟังไปกี่ท่านแล้วนะสองใช่ไหมมาเคยเอามาสอนไปสองลว นอันนี้เป็นเอ๊ะสองหรือสาสามแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นเป็นภิกษุกว่าเลยนะอันนี้เอออันนี้เป็นภิกษุนีบ้างลองฟังดูประวัติของอิสิทาสีเทลียุยคสมัยแห่งพุทธกาลนานณเมืองปาตาลีบุตรอันเป็นนครหลวงแห่งแคว้น ม, มคตที่เหล่าผู้คนพากันขนานนามว่าโกสมนครโกสมก็บอกอยู่แล้วนะโกสมคืออะไร อ่าคือดอกไม้นะโกสุมนครก็คือนครแห่งดอกไม้ดวงตะวันเริ่มสาดแสงทองจับฟ้าสว่างแจ่มใสทั่วโกสุมนครปรากฏมีร่างพิษุณีสองรูปผู้บวชอยู่ในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเที่ยวเดินบินทบาตอยู่รูปหนึ่งมีชื่อว่าอิสิธาสีอีกรูปหนึ่งชื่อว่าโพธิ นะสองรูปนะโพธิก็เป็นชื่อชื่อของภิกษุณีอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งชื่ออิสิธาสีภิกษุณีทั้งสองเป็นผู้ทรงคุณธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในการเพ่งฌานเพ่งฌานเมื่อวานนี้เราเรียนกันไปแล้วฌานหนึ่งฌานสองฌานสาม้าน ส, า น, สนะอันนี้ในการเพ่งฌานก็คือนี่แหละทำจิตให้สงบ ถ้าเป็นอย่างของพุทธก็หมายถึงเรามีวิตกวิจารนะถ้าเป็นของพุทธนี่จะมีวิตกวิจารแต่ถ้าเป็นของฤาษีไม่ต้องวิตกวิจารณ์มีแต่จะดับดับดั บ, ด, บดับลูกเดียวนะดับความคิดความปรุงแต่งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพวกฤาษีเนี่ยเวลาเขาจะทําฌานหรือว่าเขาจะทําพวกเจโตสมถาธิเขาก็อําหนืกระสินขึ้นมาเสร็จแล้วก็ เอาจิตจดจ่ออยู่กับกสินเสร็จแล้วก็ให้มันอะไรอะ่ะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจกระทา่งในที่สุดกสินนี่ก็ไม่ต้องใช้ใ น, ในที่สุดเนี่ยพอมันนิ่งมันสงบได้กสินนี่ก็เลิกใช้ไปเลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอแค่นั้นน่ะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปปรุงแตง่งไม่ต้องไปวิปัสสนึกอะไรอีกละนะก็อยู่กับความสงบไปอย่างนั้นน่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็จะคอยเพ่งดูจิต เพ่งดูจิตว่ามันจะเกิดอะไรบ้างอ่าดูไปบางคนก็เป็นนิมิตเป็นแสงสีออกมาหรือบางคนจะได้ยินเสียงได้อะไรก็แล้วแต่เขาซึ่งบางทีพวกที่จะอะไรอะ่ะมันมันฝึกมาไม่ดีอะ่ะจิตมันจริงๆมันยังมีกิเลสอยู่แต่ตอนนี้พอไปเห็นนิมิตพวกนี้ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยคุมสติไม่อยู่อ่าเพี้ยนไปเลยก็มี บ้าไปเลยก็มีนะบางทีจะเหมือนกับจะไปเห็นนันเห็นที่เห็นนั่นมันไม่เจตนาหรอกแต่จริงๆมันอยู่ในจิตของเราลึกๆที่เราเนี่ยเก็บเก็บเอาไว้มากมายไายกองนะมากยิ่งกว่าไอ้แผ่นดิสของเครื่องคอมพิวเตอร์มากมายมหาสารอยู่ในจิตจิตใจของคนเรานั่นแหละแล้วป้าางกุมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็เพี้ยนได้นาะที่เขาจะเรียกว่ากรรมแตก อ, อะไรก็แล้วแต่ อันนั้นอาจจะเป็นแบบของฤาษีแต่ถ้าเป็นของพุทธนี่ไม่เลยนันจะใช้วิตกวิจารมีการพิจารณามีการแยกแยะที่คราวที่แล้วเราเรียนกายคตาสติเนี่ยจะมีการพิจารณามีการแยกแยะว่าเออดีหรือว่าไม่ดีกุศลหรือว่าอากุศลเป็นสุภะหรือว่าเป็นอสุภะเป็นกิเลสหรือว่าไม่ใช่กิเลสพิจารณาแล้วก็ หาทางแก้หาทางดับมาลงไปพอดับไปแล้วเนี่ยจิตนิ่งจิตสงบเสร็จไม่ปล่อยไปเฉยเฉยถ้าเป็นของพูดไม่มีการปล่อยเฉยเฉยสงบแล้วเป็นอุเบกขาเนี่ยพอได้ถึงฌานที่สี่นะเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตสงบและนิ่งดีละคราวนี้ก็เอาขึ้นมาพิจารณาใหม่ยังมีกามมีราคะมีโทสะมีโมหะอะไรอยู่ยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ เสร็จแล้วก็พิจารณาแล้วก็หาทางแก้หาทางดับทิ้งไปอีกจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นฌานของพุทธนะฌานของพุทธจะต้องมีปัญญาประกอบด้วยนี้เป็นหลักนี้เป็นเป้าหมายของของพุทธเลยจะไม่ใช่แบบของฤาษีที่พอให้นิ่งพอให้หยุดพอให้สงบได้แล้วก็เอาอย่างนั้นนะ่ะนิ่งๆอย่างนั้นไม่ต้องไปมีอะไรอย่างอื่นเข้ามาอีก นี่นี่คือความต่างกันเพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาให้นิ่งเขาให้สงบเพื่อที่เดี๋ยวจะได้ไปเห็นนิมิตอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างของคนทั่วๆไปนะแต่ของพุทธนี่ไม่เลยของพุทธนี่ไม่ใช่รอให้มันโผล่ขึ้นมาเองนะไม่ใช่พอทําจิตให้สงบได้แล้วก็รอเดี๋ยวนิมิตอะไรจะขึ้นมาซึ่งบางทีเนี่ยไม่จริงหรอกเป็นของปลอมไม่ใช่นิมิตจริงหรือแม้ว่ามันขึ้นมา แต่จริงๆมันเกิดที่มาจากความมีกิเลสของคนนั้นที่มันยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกจริงๆแล้วมันขึ้นมาทํางานพอมันขึ้นมาทํางานเสร็จคนนั้นนึกว่าเป็นนิมิตแท้แท้เพราะนิมิตแท้แท้เนี่ยจะมีผลไม่มีผลมันอยู่ที่คนนั้นมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยถ้าใครยังมีกิเลสมากอยู่เนี่ยพอเขาทาจิตสงบแล้วนะไอ้กิเลสที่มีอยู่เนะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นนิมิตต่างๆแล้วแต่ว่าคนนั้น มีกิเลสตอนนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะขณะจิตนั้นน่ะมันโน้มไปในเรื่องอะไรถ้าเป็นพวกตามเอเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างที่มีอยู่แต่คนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองเป็นกิเลสนะคนนั้นก็นึกว่ามันเป็นนิมิตของตัวเองแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นแบบมโนมยตตามันจะเป็นการปัน้นจิตขึ้นมาแต่ว่าตัวเองไม่ได้เกินาโดยตรง แต่มันอยู่ในจิตลึกๆวัพ อ, พอจิตตัวเองสงบแนละ้วตัวเองมันตั้งที่ปั้นขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าอยากจะไปปั้นมันหรอมันขึ้นมาเองนั่นแหละแล้วบางคนก็เลยคราวนี้ก็เลยนึกว่าโอ้โหจริงแลจริงแลเป็นนิมิตขึ้นมาเองนั น, นึกว่าตัวเองนี่เที่ยวไปเห็นนรกสวรรค์นั่นแหละจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะไปอะไรต่ออะไรที่ไหนก็นแล้วแต่คิดว่าเป็นนิมิตจริงๆแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ มันเป็นเพียงแค่มโนมยัตตาเป็นการปั้นขึ้นมาในจิตของตัวเองซึ่งจิตของตัวเองเนี่ยนะก็ไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นคิดว่าตัวเองสงบดีแล้วอย่างเงี้ยว่าหลายคนบางทีเนี่ยไปหลงเข้าใจผิดอย่างนี้แหละจนกระทั่งบางคนเนี่ยหลงไปนู่นเลยจนปกระทั่งว่าโอ้โหได้โสดาได้สกิทาได้อนาคาได้พระอรหรันต คือหลงว่าเ น, เนี่ยไปเห็นลักษณะอย่างเนี้ยนะ่าคิดว่าตัวเองบรรลุมีไปถึงนั่นได้เลยแต่จริงๆนั่นไม่ใช่นะเผลอๆยังเป็นฌานแบบดูสีกดขมอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ของจริงอะไรเอาแต่ในที่นี้เนี่ยภิกษุณีทั้งสองรูปนี้นั้นะยินดีในการเพ่งฌานหมายถึงว่าฝึกฝึกเพื่อพวกจิตที่ให้สงบเนี่ยอย่างโลกุตระนะอย่าง ชนิดที่เรียกว่าพ้นโลกพ้นโล ก, กี่ขึ้นมาไม่ใช่แบบของฤาษีนะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีฌานที่มีปัญญาประกอบด้วยหรือเข้าสู่กระแสนะมีโลกุตละธรรมด้วยแล้วก็เป็นทั้งพระหูสูตรนะเป็นผู้ที่มีการศึกษาธรรมะมากนะเราเรียนในทางธรรมะมามา ก, มา ก, มากเป็นพระอารหันต์ผู้กําจัดกิเลสได้หมดแล้ว แสดงว่าเดินมาสองรูปนี่เป็นพระอาหารทั้งสองรูปเลยทั้ง อ, อ, อิสิทาสีเทรีกับโพธิเทรีนะทั้งสองรูปครั้นบินธบาดกลับมาก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ล้างบาทเรียบร้อยทั้งสองได้มานั่งพักอยู่ในที่อันสงัดสนทนาไต่ถามกันและกันพระโพธิเทรีได้ถามขึ้นว่าข้าแต่แม่เจ้าอิสิทาสี ท่านนั้นเป็นที่น่าเรื่มใส่นักแม้วัยก็ยังสาวยังไม่เสื่อมโทรมก็แล้วท่านเห็นโทษอะไรเล่าจึงได้ขวนขวายมาบวชกระทาซึ่งเนคขมมะเนคขมมะนี่ก็คื อ, อาบางทีเขาก็เรียกการออกบวชแต่จริงๆแล้วเนคขมมะหมายถึงการเว้นออกจากกามนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาโกนหัวมันุ่งหม่มจีวร อ, อะไรไม่ ไม่จำเป็นแม้เป็นคารวาดอยู่เราถือสีเราถือตะบะทําขึ้นมานนก็เป็นการที่จะเว้นออกจากกามและวตานนี้เนี่ยวระโพธิเถรีก็ถามนะถามภะอิสิษาศีเถรีขึ้นมาคือสงสัยอะว่าเอ๊ ก, ก็ยังสาวอยู่เลยนะใครๆก็ชาวบ้านชาวช่องก็เลื่อมใสภิกษุณีรูปเนี้ยมาก บอกเอะแล้วทำไมอ่ะทำไมมาบวชท่าั้นที่สาวๆอยู่ตอนนี้ก็ได้รับคำตอบว่าข้าแต่แม่เจ้าโพธิท่านจงฟังเรื่องราวแห่งกรรมต่างๆที่ทำให้ดิฉันออกบวชเถิดดิฉันเลึกชาติถนหลังของตัวเองได้ถึงเจชาติเพราะว่าเป็นพระอาหารหันแล้วนะจละลลึกชาติได้นี่อย่างน้อ ย, อยต้องอะไรต้องต้องได้เลย เมื่อวานนี้เรียนแบบวิชาสามตัวไหนตัวไหนอก็จะต้องบุบเพที่วาส า, านุสติญาณน่าจะต้องมีบุบเพได้ตอนนี้บุบเพได้ไปถึงเจ็ดชาติเจ็ดชาติก็หมายถึงชาติที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายนะเจ็ดครั้งอพอละลึกแล้วก็เล่าเลยไล่เล่าให้ ภิกษุณีโพธิฟังว่าเมื่อการก่อนดิฉันเคยเกิดเป็นชายเป็นนายช่างทองอยู่ในนครเอรกัตฉะมีทรัพย์มากมัวเมาการมราคะด้วยหลงในความเป็นหนุ่มได้เที่ยวคบชู้ภ ร, รยาของผู้อื่นสร้างบาปกรรมชั่วอันเป็นผลให้เกิดความเจ็บแค้นแก่สามีของหญิงเหล่านั้นคือเราลึกไปได้ว่าเนี่ยถอยไปเนี่ยนะจากชาติที่ตัวเองเกิดเนี่ยสมมติว่า ชาติที่เกิดนี่ที่ที่กำลังเป็นภิกษุณีเนี่ยนะเป็นชาติที่เจใช่ก็ถอยไปห5ห้าสี่สามสองหนึ่งี่ที่นึกออกนี่นะชาติชาติที่1น่นับถอยลงไปเจชาติเนี่ยนะว่าเกิดเป็นผู้ชายเคยเกิดเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยพู้ง่ายว่าไปมีชู้เที่ยวเล่นชู้กับ ภรยาคนน้นคนนี้เขาดังนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วจึงต้องไปหมกไมมอยู่ในนรกเป็นเวลายาวนานเราคงจะรู้นะความหมายของของนรกนี่ก็คื อ, อ, อความเลาร้อนต่างๆนะบอกว่าเนี่ยต้องไปหมกไหมยอยู่ในนรก ห, กหมกไ่อยังไงยาวนานยังไงบอกว่ายาวนานก็คือไปเกิดอยู่ในท้องนางวานอนตัวหนึง่งพอได้คลอดออกมา แค่อายุเจ็ดวันเท่านั้นก็ถูกว่านอนใหญ่ที่เป็นจ่าฟูงเข้ามากัดอวัยวะสืบพันธุ์กินไปเสียได้รับความเจ็บปวดเหลือเกินนี่แหละผลกรรมของดิฉันที่ได้ไปคบชู้มางนั้นที่นึกได้ชาติแรกเนี่ยคือเป็นผู้ชายไปเที่ยวคบชู้จนข้างตายใช่ตายเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นลูกลูกนางวานอน เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหนะอันนี้เขาก็พูดเหมือนกับตรงตรงให้เราฟังอะ่ะไปครบชูก็เปเรื่องของกามนะเสร็จแล้วก็เลยเนี่ยจะต้องเกิดมาแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองก็จะต้องมาโดนคนอื่นมาทำ้ายเหมือนกันนะเนี่ยโดนไม่รู้แหละจะเป็นจ่าฝูงนะมากินอวัยวะสืบพันธุ์ทิ้งเลยนะแล้วก็ทุกทรมานอย่างมาก อันนี้ก็พูดในลักษณะตรงๆให้เราฟังคือจริงๆน่ยมันมีทั้งอย่างนี้ด้วยเหมือนเหมือนกับใครไปทําบาปกรรมอะไรไว้ตรงแบบไหนอย่างเช่นเราไปตีหัวใครยเงี้ยหัวแตกกรรมตรงจริงๆที่เห็นชัดชัดก็คือเดี๋ยวเราก็โดนคนตีหัวแตกเหมือนกันอันนี้มันมันเข้าใจได้ง่ายมุมมองอย่างเงี้ยซึ่งก็มีด้วยแต่และส่วนใหญ่มักจะพูดลักษณะนี้เพราะว่าพูดอย่างนี้แล้ว คนค่อนข้างจะเห็นเห็นเห็นสภาพชัดหน่อยเห็นได้ง่ายแล้วก็เตือนเตือนคนให้ไม่ไปทำอย่างนั้นนะ่ะมันง่ายาแต่ตอนนี้ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้หมายความอย่างนี้หรอกบาปกรรมจริงๆที่เวลามันมาตามทวงคืนเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไปด่าใครด้วยคาว่าเอาเอ <c oughs> เนี่ย อะไรนะอเอ๊อถอยแล้วแหมอาจารย์กำลังนึกคำที่เหมาะสมอยู่อ้าวสมมติว่านั่นแหละเราไปด่าใครว่าถอยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเจอคนด่าว่าถอยเหมือนกัน ก, นกลับมาเงี้ยมันไม่ได้ตรงอย่างนี้หรอกการที่เรามีจิตนะไม่ดีเราดูหมิน่นดูถูกคนเขาแล้ว เ, เราก็ไปด่าคนอื่นนะอาจจะเป็นด่าภาษาจีนภาษาไทยภาษาฝรั่งอะไรก็แล้วแต่นะเราด่าคนนี้ไป ไอลักษณะอย่างนี้แหละที่เราไปทําบาปกรรมอย่างเงี้ยว่าหลังเราก็จะโดนคนเบียดเบียนมาบ้างเหมือนกันโดยที่ไม่อาจจะไม่ใด่ไปโดนใครเขาด่าเราต้องเป็นภาษานะั้นต้องเป็นคํานั้นหรอกไม่จําเป็นนะัแต่เราก็จะต้องมีความเดือดร้อนมีภัยมาหาเราเพราะไอปากหรือว่าที่เราพูดเราด่าคนนั่นแหละออาจจะไม่โดนด่านะ่าอาจจะโดนตบปากกลับมาอย่างเงี้ย เพราะนั้นมันจะมีวิบาสที่มันจะกลับมาจากสิ่งที่เราเนี่ยกระทำสิ่งนั้นไปและที่สำคัญที่สุดคือเราก็ทำไปด้วยจิตใจยังไงจิตวิญญาณยังไงบาปตัวที่ร้ายที่สุดเนี่ยนะที่จะเห็นผลทันตาไม่ต้องร อ, ไ ม, อ, งรอไม่ต้องรอใครมาทวงคืนเราที่เห็นผลทันตาคือพอเราทำไปปั๊บเนี่ยมันสั่งสมลงในจิตวิญญาณเราพอสั่งสมปับ๊บนะ คุณเริ่มอะไรละคุณเพิ่มมันเข้าไปละทำให้คุณเยิ่งยิ่งเก่งขึ้นคุณยิ่งชำนาญขึ้นในการกระทำแบบนั้นนี่แหละที่เป็นบาปที่ทันตาเห็นที่สุดไม่ต้องรอใครมาทวงนี้คืนจากเราเพราะคนนั้นเนี่ยเริ่มสั่งสมนิสัยแบบเนี้ยนิสัยไม่ดีเนะนี่ยนิสัยเสียเนี่ยสั่งสมเข้าไปอีกสั่งสมเข้าไปอีกสั่งสมเข้าไปอีกแล้วหมายความว่ายังไงอะ่ะผลที่จะตามมาคือ คนนั้นจะยิ่งทําอย่างนั้นบ่อยขึ้นจะยิ่งทําอย่างนั้นมากขึ้นซึ่งยิ่งทําบ่อยขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเหอะไอคนที่จะมาทวงคือจากเราอ่ะลายต่างๆเนี่ยที่เราไปทําทําไว้โอ้โหเดี๋ยวเหอะถึงเวลาเกิดเขามาทวงแบบทั้งทีมเลยนะตายเลยนะเขามาทวงเป็นทีมอเขามาทวงเป็นลายหัวยังเขาเองชั่วยนะแต่เขามาทวงทีเป็นทีมแล้วก็ หัวนี่อาจจะโดนถอนงอกหมดเลยโอ้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยอย่าไปคิดตื้นๆแค่แค่มุมตรงๆแค่มุมเดียวนะซึ่งบางทีเนี่ยเราจะฟังวิบากกรรมต่างๆเนี่ยพระเจ้าท่านตัดท่านก็นบางทีท่านก็นตัดมุมตรงๆให้เรานะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายบอกแล้วแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงบางทีมันมาในลักษณะอื่นรูปแบบอื่นที่จะทําให้เราทุกข์เพราะ อันเนี้ยเพราะเรื่องอันนี้แหละนะอาตั น, นี้ก็เล่ามาถลับชาติหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยอพอตายจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นลูกวานอน เ, อเสร็จแล้วก็ยังไม่ใช่สิ้นสุดกรรมเปยนแค่นั้นนะตายจากชาติวานอนนั้ น, น, นแล้วเนี่ยจากลูกวานอ น, น่ะ น, นะตายแล้วต้องไปเกิดในท้องนางแพะตาบอดทั้งขาก็จิงหากินอยู่ในแคว้นสินถุสินทู ขาก็ชิงหมายถึงเป็นไงขามีชิงนะป่ะฮะเออขาเป๋ขาเกยนะเขาเรียกว่าขาชิงไม่ใช่มีใครเอาชิงมาแขวงไปที่ขาเลยเรียกว่าขาชิงหรือคนชอบอะไรอ่ะชอบตีชิงอ่ะนี่นี่ขาไพา่ไงนี่ขาชิงไม่ใช่อย่างนั้นนะขาชิงอันนี้คือขาเกขาเป๋อะไรพวกนี้เนี่ยคราวนี้ตายจากอะไรอ่ะชาติที่เป็นลิงและ มาเกิดกับแพะแล้วนะพอเติบโตได้สิบสองปีก็ถูกพวกเด็กซุกซนเล่นสนุกตัดอวัยวะสืบพันธุ์ทิ้งเสียปล่อยให้บาดแผลไว้จนเน่าเหม็นถูกบูน้อนลุมกัดกินอวัยวะสืบพันธุ์จนฟ่อนเฟะได้รับทุกทรมานยิ่งนักนี่ก็เน้นไปเลยนะว่าตั้งแต่ต้นที่ตัวเองจำได้ว่าไปบาปเพราะไปคบชู้เนี่ยนะ เป็นผู้ชายนี่เกิดมาไม่บอกอ๋ออ๋อพอเกิดมานี่จริงๆก็ตั้งแต่ลิงนะก็เป็นลิงตัวผู้ใช่ไหมอ่านี่มันเกิดกับนางแพะนี่ก็มันเป็นแพะตัวผู้อีกนี่ยังนี่ยังเป็นผู้ชายเหมือนกันนะอ่าแต่ก็ปรากฏว่านี่แหละไปมีชู้ไปคบชู้มามากก็เลยเนี่ยอะไรอะคราวนี้เลยโดนเด็ก เขียนเลยนะโดนเด็กเขียนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เน่าเลยโอ้ทรมานอันนี้ทรมานมากมันไม่เหมือนพวกขันทีนะขันทีเขาตัดอวัยวะไปแล้วเนี่ยเขายังไงเขายังรักษานะอันนี้ปล่อยทิ้งให้มันเน่าแล้วไม่ปล่อยทิ้งธรรมดานะจนกระทั่งโอ้โหมันเน่าอาจจะเป็นหนองจนกระทั่งมีอะไรเชื้อโรคมีพยาธิมีอะไร เออมากัดกินโหยิ่งทรมานอย่ยงเดียไม่นอนขึ้นนี่มันหนักเลยนะไปเคยดูศพอ่ะไปเคยดูศพใครเคยเห็นบ้างไหมศพชนิดที่ว่าโหหนอนขึ้นยัวเยียดเลยใครเคยไปดูศพอ่ะเคยไปดูเจออย่างชนิดแบบว่าออืมันนอนขึ้นทั้งตัวเลยยัวเยีย้ยกมา <c oughs> <c oughs> เออ คือคือศพเดียวนะบางคนเนี่ยไปดูนี่ยไปดูไอ้ที่มันตายใหม่ๆใช่ไหมไม่หมายถึงว่าไม่นานเท่าไหร่มันยังเป็นตัวเป็นตนอยู่อันนั้นยังงั้นยังไม่เท่าไหร่นะโอ้โหมันอาจจะตัวเขียวเขียวบ้างซีดซีด บ, บ, บ, บ้างบวมบวมบ้งนะนั่นยังไม่เท่าไหร่ยังยังดูเห็นสภาพพอสมควรโอโ้โ ho นี้ปล่อยทิ้งนานแล้วนะคือไอ้พวกแมงวันพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันไปไข่แล้ว จนกระทั่งหรือว่าบางทีพยาธิภายในตัวคนเราเนี่ยซึ่งมันมีพยาธิอยู่เนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยมันเลือดมันจะจมูกโยเยอะไรออกมาจากจมูกบางทีก็ลูกตามันกินไปแล้วมันออกจากก็ลูกตาออกจากปากออกจากหูกแล้วตัวเนี่ยเริ่มเละโอ้โหแค่พูดนีกว่แล้วที่หนักที่สุดอะไรรู้ไหมกลิ่นอย่าบอกใครเลย ตอนตายนั่นกินไม่เท่าไหร่นะตายใหม่ๆนั่นไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเริ่มเน่าแล้วเนี่ยมันจะเน่าจากข้างในออกมานะเพราะว่าข้างนอกนี่มันจะช้ากว่าเพราะมันจะเน่าจากข้างในเพราะข้างในเนี่ยบางทีจะพวกหนอนพวกแมลงคือพวกแมลงมันเข้าไปเลยนะเข้าไปแล้วมันก็ไข่ไว้ไงจนกระทั่งไอไข่มันเนี่ยออกมาเป็นตัวแล้วเป็นหนอนแล้วแล้วมันก็เริ่มยัวเยี้มันกินข้างในจนกระทั่งมันเริ่มคานออกมาข้างนอกแล้ โอ้โหตอนนี้แหละมันเหม็นมากเลยแล้วเราก็สภาพศพชักเละละชักเละชักไม่ไม่ค่อยเป็นคือเห็นเป็นรูปร่างอยู่แต่ว่ามันเริ่มโดนกินโดนกัดอะไรพวกนี้โอ้โหมาเคยไปเจออยู่ครั้งนึ่งอนะ่ะที่สิริราชหรือไงเนี่ยคือเข้าไปดูไวตรงที่ไอ้ที่เขาห้องเย็นเขาเนี่ยนะไอ้ที่เก็บศพเนี่ยมันจะที่หนึ่งเสร็จแล้ว ไอ้ที่นันไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่หรอกมันก็เหม็นจะกินยาเท่านั้นแนะ่ะเพราะเขาจะฉีดยาเขาจะอะไรเจอกันทั้งพอไปถึงไอ้ตรงที่แบบตายอนาถาคือหาส์อะมันไม่มีญาต์อ่ะเออมันไม่มีญาติโอ้โหแหมขอใช้คําว่าทุเลตดีกว่าน่าเกลียดจริงๆเลยแบบเอาไปทิ้งไว้ตรงมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นกระทะบูนเนี่ยนะกระทะบูญใหญ่ๆญเป็นแง่งลงไปเนี่ยเราไปทิ้งมาอย่างนั้นอนะ่ะ โอ้แล้วก็ปล่อยให้นอนมแมลงมันมาไข่มาเจนก็นทําเป็นพยาธิโอ้โหเละเหม็นมากเลยเหงมาเข้าไปยังรู้สึกโอ้โหกลิ่นทําไมมันแรงอย่างนี้เดี๋ยวพอไปดูไปดูสักพักหนึ่งเนี่ยทนหายใจไม่ไหวเลยเพราะว่ามันกลิ่นมันมันแรงเหลือเกินเลยรู้สึกว่าถ้าขืนดมไปนานกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะออกรู้สึกว่ามันจะอย่างนั้นเลยอ่ะ เพราะว่ากลิ่นมันแรงมากกินไม่เราว่าหนูตายเนี่ยแล้วว่ามันตายมันก็เหม็นเลยใช่ไหมโอ้โหคนตัวมันใหญ่กว่าหนูนะคุณคิดดูสิคนมันตัวใหญ่กว่าหนูกี่เท่าขนาดไอ้หนูเดียวตัวมันนิดเดียวอ่ะไม่ต้องหนูอ่ะแค่จิ้งโจอ่ะมายังเคยอ่ะนั่งดมจิ้งโจอมันตายหามันไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ดมไปดมมายังปวดหัวปวดท้องเลยมันดมมากมากแลแล้วนี่คิดดูอ่ะมันใหญ่กว่าหนู นะั่นละคนนี่โอ้โหมันตัวเบืเริ่มเทิมขนาดไหนอ่ะแล้วมองลงไปอย่างพญาติมันไอหนอนมันยั่วยเยี่ยมไปหมดเลยใช่นะบ้างๆก็เชิญไปทัศนาบ้างนะทัศนาจรน <c oughs> อย่าไปทัศนาแต่ไอที่ที่มันอะไรอะ่ะดูแล้วแหมยิ่งเคลิคอบเคลิ้มอะไรเงี้ยนี่ลองไปดูที่ที่มันรู้สึก นายจางคลายเออมันมันช่วยได้ไปดูบ้างดีเนี่ยถ้าท่านยุดทะวะโรอยู่เนี่ยพวกคุณเสร็จหมดละพวกคุณเสร็จหมดแมดน่เพราะว่าท่านต้องพาให้ไปดูหมดแหละท่านยึดอยู่แล้วก็ อ, อันนี้ผูใ้ใจฟังว่าว่าชาตินี้เป็นอะไรอเป็นลูกแพะแล้วนะจนอายุ12บสองปีนะก็ยัง ต้องเจ็บปวดทรมานเพราะพิบาต ก, กรรมสังเกตดูนะไปทํากรรมไว้ชาตินั้นน่ะไปเป็นชู้เขาก็ไม่รู้นะในนี้ไม่บอกว่าเป็นชู้มา ก, กี่ลายนะแต่ว่าก็คงหลายหลายแนนะ่ชาติเดียวที่ไปทําบาปอย่างนั้นแต่นี่ น, นี่ติติกันสองชาตินะาจังใช้นี่ไปหมดเห็นไหมตายจากชาติเป็นลูกวานนนันชาติหนึ่งล้ะแล้วนี่มาเป็นลูกแพะแล้วนะนี่อีกชาติหนึ่งล้ว เพราะนั้นบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราไปทําบาปทำกรรมแล้วเราใช่นี่ชาติเดียวก็ถือว่าจบไม่จบนะถ้าใครไปทําไว้มากเนี่ยอย่างเงี้ยไปครบชู้มาใช่ไหมเราคึกว่าชาติหน้าเราก็เออมาใช้จบจบไปเนี่ยไปโดนกัดอวัยวะสืบพันธุ์ทิ้งไปเออชาติหน้าเราคงหมดนี่หมดเวรแล้วไม่นี่มันตามไปอีกชาติหนึ่งละชาติที่สองละยังไม่หมดอีก เพราะหลายคนเนี่ยบางทีชอบคิดตื้นๆแค่นี้ว่าเออเราทําชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าใช้เกมหมดไม่ต้องชาติหน้าหรอกเรานึกชาตินี้ก็แล้วกันเพราะหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยเริ่มเชื่อเรื่องกรรมขึ้นมาแล้วว่าเออเราต้องใช้นี่เวีนี่กรรมคราวที่แล้วเพื่อนคุยไปบอกว่าบางทีเรานึกที่ยกตัวอย่างมันตะทีละก็ตามเนี่ยนะน้ำมาบอกว่าเออท่านก็คงนึกว่า ไอ้รถมันไปเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวแล้วก็สิโครงหักไปเนี่ยนะก็คงจบไปแล้วมึงคงเกมไปแล้วมึงไม่นะถ้ามันมีวิบากกรรมอยู่ที่เรียกว่ามันยังใช้ไม่หมดเอ้าท่านก็เจอรอบสองอีกละนี่ยังไม่รู้เลยจะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอ่เพราะฉะนั้นเหมือนกันในธรรนองเดียวกันตัวเราเองเพราะหลายคนเนี่ยบางทีดึกประมาทนึกประมาทว่าเอ๊ะเราเคยไปนะ เนี่ยเหมือนกับต้องใช้นี่เวียนนี่กรรมไปแล้วนะอาจจะเจ็บป่วยก็ได้บางคน ค, คิดว่าป่วยแค่นี้แนละ้วโอ้โหเอาลนะถือว่าใช้นี่นั่นก็คงหมด ห, มดหมดจบจบไปอา้าวจนกระทั่งหายพอหายเสร็จนึกว่าคงไม่เป็นอีกแล้วไม่หรอกนี่อาตมายังหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่ายังจะต้องไปเจอเอลิสดวงอีกหรือเปล่า <laughs> เออไปรักษาแล้วคลังนึงแต่โอ้โหเจ็บปวดทรมานมาก เคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วว่าในชีวิตที่เคยรักษาพยาบาลมาโอ้โหรักษาคราวนี้นเจ็บปวดทรมานที่สุดในการรักษาขนาดอันมานี่ก็ป่วยมาหลายทีเข้าโรงพยาบาลมาหลายครั้งจะตายเลยนะเคยโดนรถรถแท็กซี่ทับวิ่งมาเลยรถแท็กซี่ทับเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆหน่อย ทับเท้านะไม่ใช่ทับหัวแะทับหัวก็ตายไปแล้วทับเท้าวิ่งมาข้ามถนนโอ้ยทับทับเสร็จเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นทุกวันนี้ก็ยังเท้านี่เป็นรอยแผลเป็นไปเลยนะโอ้เนี่ยนะเจ็บปวดทรมานเหมือนกั น, ก น, ท, น, นที่อันนี้ที่ที่ไปรักษาเรศดวงเนี่โอ้โหจะมาขนาดว่าเป็นนักบวชแล้วอ่ะ เรามีความอดทนอดกันเรามีการวางใจได้เก่งบาดต่ก่อนตั้งเยอะแตามายังรู้สึกว่าเก่งบาดตะกอตั้งเยอะแต่ยังโอ้โหกัดฟันเนี่ยตัวสั่นเลยนะกัดฟันเนี่ยหืมกัดฟันจริงๆกัดแล้วเนี่ยตัวสั่นเลยเรียกว่าสู้อะไรความเจ็บปวดความทรมานโอ้จนนึกเลยอ่ะเคยได่ให้พวกเราฟังกันมันยังเคยบันทึกไว้เลยบอกว่าโอ้โหตายไปได้ดีกว่านึกในใจนะบอกว่าโอ้โหตายได้ดีกว่าอยู่ พ่ามันมันทรมานมากๆเนี่ยเนี่ยังนึกเลยว่าว่าโอ้โหเจ็บปวดทรมานขนาดนั้นคงเวลามันปวดมากมานี่นะมันนึกถึงผู้เจ้าเจ้านึกถึงพ่อท่านนึกถึงเอายังไงก็ขอให้มันจบจบไปเลยนะแต่เนี่ยเนี่ยพอมาศึกษามาอะไรอะ่ะเริ่มรู้อีกแล้ ว, ว่ะเออมันไม่แน่บางทีมันใช้กรรมแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนั่นเนะ่ยบางทีแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะ ไอ้ที่เรายังทำบิดผิดมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะยังตามมาอีกได้เรายังไม่รู้เลยว่าจะเจอหนักกว่านั้นอีกหรือเปล่าอันนี้มันก็ทำให้เราเระมัดระวังมากขึ้นแล้วทำให้เรากลัวบาปกลัวกรรมมากขึ้นว่าหลังเราจะได้ไม่ไปทำผิดทำเลวทำร้ายอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ไปทำผิดทำเลวทำร้ายกับนะคนดีจะเป็นวิบากกรรมหนักอย่างมากเลยนะเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้ ให้กับพวกเราพยายามเตือนใจเราให้ดี